ริยาการอบรมในวันนี้จะสืบต่อจากที่ได้กล่าวมาแล้วถึงโพชฌงค์แต่จะย้อนกล่าวเพื่อให้อนุสนทีกันว่าการปฏิบัติในสติปัฏฐานนั้นทำทางสมถะและทำทางวิปัสสนาในหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตดาเนินทางสมถะครั้นถึงหมวดธรรมะ ก็เริ่มมาทางวิปัสนาแต่เมื่อปฏิบัติทางสมถะก็อาจพิจารณาในหมวดนิวรณ์หมวดขันหมวดอายตนะให้รู้รูทางเกิดของสังโยชน์ของนิวรณนแล้วก็กลับมาตั้งจิตไว้ในอาณาปานสติเมื่อจะมีอะไรมาทำให้วอกแวกนั้นแล้วก็กลับมาตั้งจิตไว้ในสมาธิจนจิตตั้งมั่นแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิ ซึ่งเมื่อแน่วแน่มากก็เข้าถึงขั้นฌานตามลาดับขั้นตามที่กล่าวมาแล้วคราวนี้ในขั้นปฏิบัติต่อไปก็น้อมจิตที่เป็นสมาธินั้นมาดำเนินทางวิปัสสนาโดยตรงการดำเนินทางวิปัสสนาโดยตรงนั้นจะต้องพิจารณาขันยตนะเพราะว่าขันยตนะนี้เป็นภูมิ เป็นภาคพื้นของวิปัสนาเมื่อกำหนดขันดูอายตนะสติก็จะตั้งมั่นเป็นสติสัมโพชงและจะสืบต่อมาโดยลำดับจนถึงอุเบกขาสัมโพชงที่ได้กล่าวแล้วอุเบกขานั้นก็คือการดูธรรมคือธรรมะนั้นก็หมายถึงว่าดูปัญจขันนั้น ดูที่ไหนก็ดูที่จิตจิตที่ตั้งมัน่นฉะนั้นจะกล่าวว่าดูที่จิตตั้งมั่นก็ได้เมื่อจิตตั้งมัน่นตั้งมั่นในอะไรตั้งมั่นอยู่ในปัญจขันธ์ก็จะพบปัญจขันธ์ความจริงของปัญจขันธ์ก็จะปรากฏความจริงของปัญจขันธ์นั้นคือเกิดดับ รูปประคันในอดีตก็เกิดดับมาโดยลำดับในปัจจุบันก็เกิดอยู่ในปัจจุบันในอนาคตก็จะเกิดดับในอนาคตแต่ว่าดูในปัจจุบันเท่านั้นลมหายใจเข้าก็เกิดออกก็ดับอิริยาบทต่างๆก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเท่ากับเกิดดับอยู่เสมอ อาการ31หรือ32รวมเข้าก็เป็นธาตุธาตุสหรือธาตุห้านี้ก็เกิดดับอยู่เสมอแต่เพราะมีสันตติคือความสืบต่อตามลำดับจึงไม่ปรากฏแต่ถ้าพิจารณาก็อาจปรากฏได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดดับอยู่เสมอ ไม่เห็นความเกิดเห็นความดับชัดเจนขึ้นทุกข์กษัตริย์ความจริงคือทุกข์ก็ปรากฏขึ้นเมื่อดูที่ทุกข์กษัตริจะสมุทัยสัจจะสาเหตุแห่งทุกข์ก็ปรากฏคืออัตตาหรือเราซึ่งยึดอยู่ที่ปัญจขันยึดนี้เป็นอุปาทานยึดด้วยอะไร ยึดด้วยตัณหาตัณหาอุปาทานก็ปรากฏและเมื่อสมุทัยสัจจะปรากฏหน้าตาขึ้นแก่ปัญญาที่ดูอยู่กิเลสนั้นมีปกติต้องหลบหน้าปัญญาเหมือนอย่างของไม่จริงหรือของปลอมเมื่อรู้ว่าจริงความปลอมปรากฏขึ้นก็ไม่เป็นที่ต้องการ เมื่อดูอยู่รู้หน้าตาของสมุทยัยสมุทัยก็จะสงบนิโรธคือความดับก็ปรากฏขึ้นสมุทัยปรากฏขึ้นแก่อะไรปรากฏขึ้นแก่ความรู้ความรู้นั้นก็เป็นรู้ปล่อยความรู้วางก็ปรากฏขึ้นเป็นมร ซึ่งเมื่อประมวลถึงอาการทั้งปวงของมรรคก็เป็นองค์แปดคือเมื่อจะดูความรู้ความเห็นนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อจะดูความดำริ ก, ก็เป็นสัมมาสังกัปปะเมื่อจะดูความปกติกายปกติวาจาก็เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะดูความเป็นอยู่ก็เป็นสัมมาอาชีวะ ดูความเพียรที่ปฏิบัติอยู่นั้นก็เป็นสัมมาวายามะดูตัวสติของตนในเวลานั้นก็เป็นสัมมาสติดูความตั้งใจมั่นก็เป็นสัมมาสมาธิประกอบกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมรรคสัจจะก็ปรากฏขึ้น ปฏิบัติให้สัจจะทั้งสี่ปรากฏขึ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวดังนี้ถ้าความปรากฏขึ้นนั้นเป็นกุปปธรรมคือธรรมะที่ยังกำเริบได้คือเสื่อมได้ก็ชื่อว่าได้รับผลที่ยังเป็นกุปปธรรมถ้าความปรากฏขึ้นนั้นเป็นอกุปปธรรมคือธรรมะที่ไม่กำเริบคือไม่เสื่อมก็ได้รับผลที่เป็นอากุปปธรรม แต่แม้ว่าได้รับผลที่เป็นกุปตธรรมคื อ, อยังกำเริบได้ก็ยังชื่อว่าได้รู้ทางดำเนินและได้รับความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติการปัญญายในวันนี้จึงเป็นอันว่าจบสติปัฏฐานหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตและหมวดธรรม สติปัฏฐานนี้เป็นหนทางอันเอกคือเป็นทางดาเนินอันเดียวเพื่อวิสุทธิคือความหมดจดซึ่งจะทําให้ล่วงโศกะปริเทวะดับทุกโทมนนต์เป็นทางที่จะให้ดาเนินไปเพื่อยายาธรรมเพื่อนิพพานหมายเหตุยายาธรรมคือหนทางที่ถูกต้องหรืออริยมรรคความหมายสูงสุดของคำนี้ก็คือนิพพาน เพราะฉะนั้นจึงเป็นพระสูตรที่ควรจะสนใจควรจะเข้าใจและควรที่จะได้ปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติอยู่เสมอจะทําให้ได้ประสบรสของพระพุทธศาสนาผู้ที่รู้สึกเจือชื่ดในพระพุทธศาสนาเกิดความเบื่อหน่ายดังที่เรียกว่าอนัววิรติในพระพุทธศาสนาสงสัยในพระพุทธศาสนา เพราะไม่ได้พิจารณาให้เข้าใจในสติปัฏฐานไม่ได้ลองปฏิบัติแต่ถ้าหากพิจารณาให้เข้าใจและลองปฏิบัติดูจนได้รับรสในการปฏิบัติบ้างแล้วก็จะเห็นค่าของพระพุทธศาสนายิ่งนักจบการอบรมกรรมฐานเพียงเท่านี้